นมัตถุรัตนตยัตะขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็เรียนพระสูตรชื่อว่าสัจสจวิพังขสูตรต่อจากคราวที่แล้วนะครับ ในคราวที่แล้วก็เรียนมาจนกระทั่งถึงหน้าที่สามสัจจะวิพังคสูตรเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการจําแนกอริยสัจทั้งสี่ขยายความอริยสัจทั้งสี่ว่าทุกขอริยสัจคืออะไรทุกขสมุทัยอริยสัจคืออะไรทุกขนิโรธอริยสัจคืออะไรแล้วก็ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคืออะไรนะครับโดยพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสเป็นหัวข้อย่อๆขึ้นมาก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลุกจากอาสนะไปท่านพระสารีบุตรก็มาขยายความต่อนะครับในคราวที่แล้วเราก็เรียนอริยสัจข้อที่หนึ่งไปก็คือทุกข อ, อริยสัจ ในบาลีข้อ3 7 3ซึ่งก็ได้แก่ความเกิดนั้นเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์โศกะปริเทวะทุกโธมัตอุปายาสเป็นทุกข์การปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ว่าโดยย่อแล้วขันทั้งห้าอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นทุกข์นะครับ นี้ในคราวที่แล้วก็ได้เรียนเรื่องทุกขาริยสัจจบไปแล้ววันนี้ก็จะเรียนในหน้าที่สมบาลีข้อ374เรื่องของทุกขสมุทยอริยสัจนะครับในบาลีข้อ374อ่านพร้อมกันก่อนนะครับกะตัมัญจาวุโสทุกขสมุทโย อริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันดิราคะสหคตาตัตระตัตราพินันดีนีเสยะถีดังกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิดังวุจตาวุโสลุกสสมุทโย อริยสัจจังนะบาลีข้อ374ในย่อหน้าเกือบสุดท้ายในหน้าที่สามนี้แสดงทุกขสมุทยอริยสัจการตมันจาวุโสทุกขสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนท่านผู้มีอายุทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นไฉนะ ยายังตันหาโปโนพวิกานันดิราคาสหคตาตัตระตัตราพินันดินีนี่ก็ขยายความลักษณะของทุกขสมุทัยหรือว่าตัวสภาวะที่เป็นทุกขสมุทัยที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตันหายายังตันหาได้แก่ตันหา คือความอยากความต้องการของจิตโปโนพวิกาที่ก่อให้เกิดภพคือการกระทาอันใหม่ๆซ้ำไปซ้ำมาไม่หยุดนะเกิดการกระทำซ้ำๆโปโนพวิกาก็มาจากคาว่าปุณะบวกกับภพบหรือว่าพวิกะนะปุณะก็แปลว่าซ้ำๆซากๆทำแล้วทำอีก เกิดแล้วเกิดอีกแล้วก็ได้ประสบกับเรื่องนั้นอีกเรื่องนี้อีกไม่รู้จักพอสักทีหนึ่งพบก็เป็นการกระทําด้วยอํานาจของอุปาทานนะเหมือนที่เราเรียนมาในปฏิจจสมุปบาทก็ว่ามีเวทนาแล้วทําให้เกิดตัณหาคือความอยากความต้องการมีตัณหาตัณหาที่รุนแรงก็ทําให้เกิดอุปาทาน ตันหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพคือการกระทาด้วยอำนาจความอยากด้วยอำนาจความต้องการนะการกระทำที่เกิดด้วยอำนาจความอยากความต้องการที่มาจากความไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่าภพเมื่อมีภพก็มีชาติคือการเกิดขึ้นมาใหม่ๆเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นคนดีเป็นคนไม่ดี จนกระทั่งพูดถึงแบบพบยาวๆก็ได้เป็นสัตว์อบายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพระพรหมอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าพบเหมือนกันนะครับตัวการกระทำด้วยอำนาจอุปาทานอันนี้แหละเขาเรียกว่าพบนะซึ่งอุปาทานอันนี้ก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดจากความไม่รู้อริยสัจมาอีกต่อนหนึ่งเมื่อไม่รู้ก็มีความอยากด้วยอานาจความไม่รู้เมื่ออยากมากๆ ก็ยึดถือยึดถือแล้วก็เกิดการกระทำนะีอันนี้แหละเป็นลักษณะของตัณหาที่มีชื่อว่าโปโนภวิกาคือก่อให้เกิดการกระทาไม่สิ้นสุดก่อให้เกิดพบใหม่อีกนั่นเองนะเราทั้งหลายไม่เคยหยุดการกระทาได้เพราะว่ามีตัณหานะครับตัณหาที่เกิดจากความไม่รู้ไม่รู้อริยสัจนะ ไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นของไม่เที่ยงพอไม่รู้เราก็อยากจะให้มันเที่ยงพออยากจะให้มันเที่ยงก็เกิดการกระทำทำหาวิธีที่จะให้มันเที่ยงแต่โดยแท้จริงแล้วไปหาวิธีจะให้มันเที่ยงแล้วมันเที่ยงหรือเปล่ามันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีก็เกิดการกระทำไปเรื่อยๆไม่หยุดอยู่กับที่ไม่หยุดสักทีหนึ่งนะครับของที่มันไม่ใช่สุขอันแท้จริงของที่มันเป็นทุกข์นะ เป็นภาระบีบคั้นเราก็นึกว่าโอ้อันนี้จะทำให้เรามีความสุขอันนี้ก็ความไม่รู้พอมีความไม่รู้ก็เกิดตัณหาอยากด้วยอำนาจความไม่รู้นั่นแหละก็เกิดการกระทำนะครับก็ได้สุขมามันกันแต่ว่าสุขมันก็เป็นทุกข์ในตัวมันเองเพราะว่ามันถูกบีบคั้นด้วยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่ทาให้มันเกิดล้วนไม่เที่ยงตัวมันก็ไม่สามารถคงสภาพได้ ฉะนั้นก็ต้องทําอีกทําต่อไปเรื่อยๆมันก็หยุดไม่ได้เหมือนกันนะความไม่รู้มันก็ก่อให้เกิดตัณหาและอุปาทานก่อให้เกิดพบอย่างนี้นะครับช่วงที่เป็นการแสดงออกที่จะทําให้ทุกวนเวียนไม่สิ้นสุดก็คือช่วงที่เป็นตัณหาแล้วก่อให้เกิดการกระทำนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นตัณหาจึงเป็นทุกขะสมุทยัย แต่ตันหานี้ก็มีที่มามาจากความไม่รู้อีกต่อหนึ่งแต่ว่าตอนนี้กําลังพูดถึงเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์จริงๆตัวที่เป็นตัวชูโรงหรือว่าตัวเป็นนายช่างที่สร้างเรือนให้เราเป็นคนดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นคนยากจนเป็นคนร่ํารวยจนกระทั่งไปอาบายบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพระพรหมบ้างหัวหน้าเขาในการกระทําอันนั้นก็คือตันหา ตัวความอยากด้วยอำนาจความไม่รู้สิ่งต่างๆไม่ใช่ตัวตนนี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้พอไม่รู้เป็นไงนึกว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเราเราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวเราจริงมีของเราจริงๆอันนี้ความไม่รู้เพราะมีความไม่รู้ก็เกิดความอยากนะครับมีความอยากมากๆก็เกิดอุปาทานและก่อให้เกิดการกระทําเพื่อตัวเรา นะครับอันนี้นะตัวโปโนพวิกาก็คือตัวพบหรือว่าการกระทาด้วยอำนาจอุปาทานอำนาจอุปาทานทั้งสี่นะกามุปาทานยึดมั่นถือมั่นในแงม่มุมในมุมมองว่ามันเป็นกามมันจะให้ความสุขกับเราได้ยึดมั่นถือมั่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเงินทองลาบยศตำแหน่งที่ดิน หรืออะไรอะไรที่เราครอบครองเอาไว้โดยคิดว่ามันจะให้ความเพลิดเพลินกับเราได้เรายึดอย่างนั้นไหมยึดเหมือนกันเนาะก็ไม่กล้าปล่อยมันไปฉะนั้นก็ต้องมีนั่นมีนี่เอาไว้ถ้ามันไม่มีแล้วก็ต้องหาหาแล้วก็ต้องรักษามันก็ทําซ้ําๆ่งซากแล้วก็หยุดไม่ได้เพราะมันมีความยึดถือเอาไว้ด้วยความไม่รู้นั่นแหละแล้วก่อให้เกิดการกระทําอันนั้นเรียกว่ากามุ ป, ปาทาน คิดถูกมาทานก็มีนะครับยึดถือความเห็นความคิดทัศนคติอุดมคติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายๆอย่างที่คิดว่ามันจะดีมันจะถูกมันจะช่วยเราได้นะยึดมั่นถือมั่นแนวคิดทางสังคมอะไรต่างๆว่าทำอย่างนี้จึงจะดีทำอย่างนี้จึงจะถูกทำอย่างนี้จึงจะมีความเจริญก้าวหน้าอะไรก็ว่ากันไป อันนี้เราก็เกิดการกระทําให้สิ้นสุดไม่หยุดหย่อนสักทีหนึ่งนะทําไปเรื่อยเพื่อตัวเรานั่นแหละเพื่อให้มันเกิดชาตินั่นเองเนี่ยตัวภพเป็นการกระทํานะครับซึ่งตัวภพที่จะเกิดการกระทำได้นี้ก็มาจากอุปาทานอีกต่อหนึ่งคือความยึดถือที่รุนแรงนะครับอันนี้เรียกว่าทิฏฐุปาทานความ ยึดถือในความเห็นในทัศนคติในอุดมคติหรือว่าประเพณีพิธีกรรมอะไรต่างๆทิฏฐปาทานก็มีสีรัประตุปราทานยึดมั่นถือมั่นในศีลและวัดปฏิบัติต่างๆในพิธีกรรมต่างๆที่คิดว่าต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้พิธีกรรมเหล่านั้นก็กลายเป็นของแข็งทื่อไปเป็นของขลังไป เป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปแต่เขาก็ยังทําอยู่อย่างนั้นนั่นแหละนะหยุดไม่ได้ก็ต้องทําอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วอันสุดท้ายก็อั ต, ตวาทุปาทานยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกว่ามีตัวมีตนมีตัวเราจริงๆแต่จริงๆตัวเราไม่มีมีแต่ความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นกล้งๆแต่เขาก็ยึดถือเมื่อยึดถือก็ทาเพื่อตัวเอง รักษาหน้าตัวเองหรือว่าทาอะไรอะไรให้ตัวเองดำรงอยู่พอเกิดความรู้ว่าตัวเองดำรงอยู่ไม่ได้เขาก็หาทายาทนะหาทายาทอสูร น, นะบางคนก็ได้มาแล้วได้ลูกได้หลานเพื่อจะได้ยกสมบัติให้มันต่อๆไปให้ลูกให้หลานรักษาชื่อเสียงวงตระกูลอะไรให้เราอะไรก็ว่ากันไปในเมื่อเขาอยู่ไม่ได้นานเขาก็ต้องหา อะไรบางอย่างที่จะเป็นเครื่องสืบต่อเขานั้นได้นะเราทั้งหลายคงมีเครื่องสืบต่อตัวเองเยอะแยะนะทั้งๆที่ตัวเรานี้อยู่ไม่ได้นานก็พอเริ่มรู้จักแล้วก็หาหาผู้มาสืบต่อนะหาผู้สืบต่อธุรกิจบ้างหาผู้สืบต่อร้านตัวเองบ้างชื่อเสียงวงตระกูลตัวเองบ้างนะ ถ้าจะเอาให้ใกล้ ก, ลกว่าต้องลูกเาราหลานเรานี่แหละใช่ไหมความรู้สึกอย่างนี้เป็นอัตวาทุกปาทานก็ก่อให้เกิดการกระทําใหม่ๆไม่สิ้นสุดเพื่อตัวเองจริงๆมันมีตัวเองไหมไม่มีไม่มีตัวเองเห็นไหมเรานี่ไปยึดกองทุกข์เข้าพอไปยึดกองทุกข์แล้วมันก็ได้กองทุกข์อันใหม่ๆเพราะว่าเกิดทุกขะสมุทัยคือตัณหาไปทํำมันเรื่อยๆ ทำอันนี้ทำอันโน้นเพิ่มมันก็ได้ทุกใหม่ๆมาเรื่อยๆ ๆ, ๆ, ๆนะครับลักษณะตัณหาท่านจึงเรียกว่าโปโนพวิกาคือก่อให้เกิดการกระทำใหม่ๆอยู่เรื่อยๆไม่หยุดก่อให้เกิดพบใหม่ๆนะครับนันดิราคาสหคตาประกอบไปด้วยนันทิราคาคือความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน นันทิแปลว่าความเพลิดเพลินราฆะแปลว่าความกำหนัดนันทิความเพลินความเพลินทําให้เราหลงลืมไปหลงลืมว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเมื่อเราเพลินในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราจะหลงลืมธรรมะหรือว่าหลงลืมความจริงไปลองสังเกตดูดูหนังแล้วเพลินไหมเพลินก็จะหลงลืมความจริงไป นะคุยกับคนนั้นคนนี้คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เพลินกับเรื่องนั้นถ้าเพลินกับเรื่องนั้นมันก็จะหลงลืมความจริงไปว่าแท้ที่จริงเรื่องอะไรต่างๆมันมีจริงๆริงไหมไม่มีจริงนะถ้าคุยเรื่องการเมืองเรื่องอะไรต่างๆถ้าเพลินกับเรื่องนั้นไปเราก็จะหลงลืมไปว่าแท้ที่จริงเรื่องมันไม่มีจริงนี่นะนี่นะครับไอตัวนั้นที่นี่มีลักษณะที่เป็นความเพลินความเพลิดเพลิน เมื่อเพลิดเพลินไปับเรื่องนั้นแล้วจะทำให้เราหลงลืมความจริงไปเราทั้งหลายมีเรื่องให้เพลินเยอะน ะ, ะบางคนเดินกลับไปบ้านเห็นหมาตัวน้อยตัวเล็งเลี้ยงหมาไว้ใช่ไ้ยเห็นมันแล้วเพลินไหมลืมว่าตัวเองจะต้องตายแล้วลืมว่าตัวเองจะต้องจากกันอะไรกันนี่เห็นหมาที่เลี้ยงไว้ก็เพลินเห็นโน่นก็เพลินเห็นนี่ก็เพลินทาให้เรามัวเมาประมาทไปอันนี้เขาเรียกว่าความเพลิน นันทีทีนี้นันที่ยังไม่พอเขายังมีราคะเข้ามาด้วยคือความกําหนัดหมายถึงการยึดติดอย่างเหนียวแน่นทีเดียวไม่ถอยออกมาไม่สามารถถอยออกมาได้มีแต่จะกอดรัดมันแน่นเข้าไปเรื่อยๆเพลินกับมันแล้วยังไม่พอหลงลืมความจริงไปแล้วยังไม่พอยังกอดรัดมันเอาไวอ้อีกไม่ยอมปล่อยอันนี้เรียก ว, ว่ากําหนัดคือราคะนันทีราคะ ความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินหรือว่าสิ่งที่ทําให้เราเพลินหลงลืมความจริงได้นะครับนี่เป็นลักษณะของตัณหานั่นเองเคยเป็นอย่างนี้เยอะไหมเยอะมากนะฉะนั้นให้รู้ว่าเวลาเราเพลิดเพลินในสิ่งใดสิ่งนั้นแหละเป็นทุกเป็นทุกอันใหม่ๆเพราะว่าตัวความเพลิดเพลินนี้มันเป็นทุกขะสมุ ท, ทยัยคือทําให้เราหลงลืมความจริง เมื่อหลงลืมความจริงเราก็ไปยึดถือกับสิ่งนั้นเมื่อยึดถือกับสิ่งนั้นมันก็เป็นรากเหง้าของทุกอันใหม่ๆที่จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนันดิราคาสหคตาประกอบไปด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตตระตตราวินันดินีมีความยินดีอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆในอารมณ์นั้นๆหรือว่าสิ่งนั้นๆที่มันเกิดขึ้น ตัตระตัตระแล้วก็อภินันดีนีอภินันดีนีปแปล ว, ว่ายินดีอย่างยิ่งยินดีชอบใจอย่างยิ่งในสิ่งนั้นๆการชอบใจอย่างยิ่งในสิ่งนั้นๆก็คือสิ่งที่มันทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีเราตัวเราสนองอัตตาตัวเราได้อภินันทีนีนะครับเราทั้งหลายก็จะเป็นอย่างนี้ ก็คือหาอารมณ์ชนิดที่มันสนองความรู้สึกว่ามีเรามีเราขึ้นมาได้เพราะว่าพวกตันหานี้มันเกิดมาจากความไม่รู้อีกทีหนึง่งแต่ตัวตันหานี้มันก่อให้เกิดการกระทําอันใหม่ๆแล้วก่อให้เกิดชาติคือทุกข์อันใหม่ๆเมื่อเราเพลิดเพลินในอารมณ์อันนั้นอันนั้นหรือว่าเพลิดเพลินในสิ่งที่จะทําให้เกิดความรู้สึกว่าเราอย่างนั้นเราอย่างนี้มันก็จะเกิด การกระทำใหม่ๆ ม, มาไม่สิ้นสุดนะพีนันทินีนี้เป็นลักษณะความยินดีนะยินดีในอารมณ์อันนั้นอันนั้นอารมณ์อันไหนที่เรายินดีละ่ะก็อารมณ์ชนิดที่ตอบสนองความรู้สึกว่ามีตัวเราได้นะครับก็ลองไปดูนะท่านยินดียิ่งในอะไรนะบางคนก็ยินดียิ่งในการเศร้าโศกก็ยังมีนะ เพราะว่าอะไรความเศร้าโศกนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่ามีตัวเราใช่ไหมมีตัวเราถูกกระทำอันนี้ก็เป็นตันหานะบางคนอาจไม่รู้ว่ามันเป็นตันหาแต่ตันหามันออกลูกมาได้เยอะออกลูกมาเป็นความเศร้าโศกความไม่พอใจความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรก็ได้นะครับเขายินดียิ่งในอารมณ์นั้นๆบางคนก็ยินดียิ่งในอารมณ์ ชนิดที่ทำให้ตัวเองเป็นคนรู้สึกผิดเคยรู้สึกไหมเวลาที่เราทำความผิดแล้วเราก็คิดว่าเออเราเป็นคนทำผิดอย่างนู้นอย่างนี้มันสนองความรู้สึกว่ามีเราได้เราเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นี่นะเราเป็นคนชั่วอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็แสดงว่าเขายินดียิ่งในอารมณ์นั้นๆอารมณ์ที่ทาให้รู้สึกว่ามีเขาอยู่นริงจริงมันมีเขาอยู่ไหม จริงๆมันไม่มีฉะนั้นอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีที่เราสมมติกันหรือว่าฝ่ายไม่ดีมันก็สนองความรู้สึกอันนี้ได้นะครับอันนี้แหละมันเกิดจากตัณหานะนี่นะครับบาลีข้อ374ทุกขสมุทยะอริยสัจ คืออะไรอย่ายังตันหาก็ได้แก่ตันหาคือความอยากความทยานอยากของจิตโปโนภวิกาที่ก่อให้เกิดพบบ่อยๆก่อให้เกิดการกระทําด้วยอํานาจของอุปาทานอยู่เรื่อยๆทําอยู่เรื่อยๆไม่หยุดสักทีหนึ่งการที่เราทําอะไรต่างๆทําไปเรื่อยๆโดยไม่รู้จักหยุดสักทีหนึ่งหยุดไม่ได้หยุดไม่เป็นสักทีหนึ่ง อันนี้เป็นลักษณะของตันหานันดิราคะสหคตาประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินความเพลินคือสิ่งที่มันทาให้เราเพลิดเพลินไปแล้วก็หลงลืมความจริงความกำหนัดคือลักษณะจิตที่กอดรัดอารมณ์ชนิดนั้นให้แน่นขึ้นไม่ยอมปล่อยตตระตตราภินันดีน มีความยินดียิ่งในอารมณ์ชนิดนั้นๆอารมณ์ชนิดที่มันสนองอัตตาตัวตนได้ทำให้รู้สึกว่ามีเรามีเราไอเราเราที่ขึ้นมาใหม่ก็เป็นทุกอันใหม่ทำไมมีทุกอันใหม่เกิดขึ้นมาได้ละ่ะกะตัณหาน่ยมันชอบมันยินดีเพลิดเพลินมันยินดียิ่งในอารมณ์ชนิดนั้นๆนะครับ เสยยะทีทงังก็แยกประเภทก็ได้แก่กามมาตัณหาความทยานอยากในกามตัณหาในกามความอยากได้ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็วัตถุสิ่งของอะไรต่างๆโดยคิดว่ามันจะทำให้เรามีความสุขด้วยอำนาจความไม่รู้นะนี่นะครับก็เกิดตัณหา อันที่สองก็ภาวะตันหาความทยานอยากในแง่มุมที่อยากจะทาให้มันเที่ยงหรือว่าอยากให้มันคงสภาพอยู่อย่างนั้นนานๆความยินดีพอใจในสภาวะธรรมที่ลึกซึ้งขึ้นไปพวกรูปฌานอรูปฌานต่างๆ ต, ตัวภวะตันหานี้ถ้าเป็นแบบหยาบๆทั่วไปก็เจือด้วยอำนาจความเห็นผิดที่เรียกว่า ส, สัตตทิฏฐิ ความเห็นว่ามันเที่ยงอยากจะทำให้มันเที่ยงอยากจะทำให้มันคงสภาพอยู่นานๆอันนี้ก็เป็นตันหาชนิดหนึ่งเรียกว่าภาวะตันหานอกจากนั้นภาวะตันหาก็เป็นความติดข้องในความสุขฝ่ายที่เป็นด้านจิตใจด้วยก็คือพวกรูปรรประฌานอรูปประฌานพวกที่ติดข้องอันนี้ก็เรียกว่าภาวะตันหาเหมือนกันนะครับ ต่อไปวิภวะตัณหาความทยานอยากในด้านวิภาวะคือตรงข้ามกับภพบนั่นแหละภพนี้เป็นความอยากจะให้มันคงอยู่ น, น, นานๆอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นนานๆแล้วก็ติดข้องในของที่มันดีอยู่ของที่มันเป็นสุขอยู่ส่วนวิภาวะก็ตรงกันข้ามเป็นตัณหาที่เกิดเจือกับทิฏฐิชนิดหนึ่งเรียกว่าอุดเฉททิฏฐิ คือความเห็นว่ามันขาดศูนมันไม่มีหาวิธีที่จะทําลายมันให้มันหายไปให้มันไม่มีโดยอาจจะเจือด้วยความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งมาก็ได้เช่นบางคนเขาก็ฝึกฝนปฏิบัติทำไปหรือว่ามีความเชื่อว่าทําให้จิตสงบแล้วพอไปเป็นพระพรหมแล้วต่อไปจะหมดทุกข์แล้วทุกข์มันจะหายไปแล้วอันนี้ก็มีความเห็นแบบอุดเฉตทิฏฐิชนิดหนึ่งคือว่า เดี๋ยวต่อไปตอนนี้มันทุกข์อยู่ทําแบบนี้แบบนี้ไปเดี๋ยวสักหน่อยมันจะหายถ้าไปเกิดเป็นพระพรหมตายจากพระพรหมแล้วมันก็หมดกันไปแล้วหรือบางคนก็หนักจนกระทั่งว่าเดี๋ยวเราทําอย่างนี้อย่างนี้ไปเดี๋ยวจะไปเกิดในนิพพานแล้วก็หมดทุกข์หมดโศกกันแล้วอะไรพวกนี้เป็นลักษณะความเห็นว่าขาดศูนย์อาศะขาดศูนย์ในชาตินี้เองหรือว่าขาดศูนย์ในชาติต่อๆไปก็ได้หรือขาดศูนย์ในนิพพานก็ได้อย่างนี้นะครับ ความอยากด้วยอำนาจความเห็นผิดที่เป็นอุดเฉททิฏฐิอันนี้เขาเรียกว่าวิภาวะตัณหาซึ่งเกิดจากการที่เราไม่อยากได้อันใดอันหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีความเห็นโผล่เข้ามาด้วยว่าต้องแบบนี้นะจึงจะไม่ได้อันนี้เดี๋ยวสักหน่อยมันจะหมดไปหายไปสักหน่อยมันจะขาดศูนย์ไปอย่างนี้ถ้าห ย, ยาบๆหน่อยก็แบบขาดศูนย์ในชาตินี้ก็ได้ก็คือเราเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์ ตายแล้วก็แล้วกันอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็ขาดศูนย์แบบหยาบที่สุดแล้วนะพวกวิทยาศาสตร์บางพวกเขาก็ถือแบบขาดศูนย์อันนี้เป็นอุดเฉดทิฏฐิชนิดหนึ่งเขาก็ทําด้วยอํานาจความอยากอันนี้เรียกว่าวิภวะตัณหาบางพวกก็ลึกซึ้งขึ้นมาหน่อยเอาไปขาดศูนย์ชาติหน้านัน่นบางพวกก็ลึกซึง้งถึงที่สุดขาดศูนย์ในนิพพาน น, นนั่นนะ เดี๋ยวปฏิบัติปฏิบัติไปพอถึงนิพพานแล้วคุณก็จะหมดอะไรทุกอย่างอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวฟังดูดีเหมือนกันนะแต่ว่ากลายเป็นความเห็นที่ขาดศูนย์นะครับแต่ของพระพุทธเจ้าแสดงนั้นไม่เกี่ยวกับความมีหรือความไม่มีไม่เกี่ยวกับเที่ยงหรือขาดศูนย์นะจะบอกว่ามีก็ได้มีเมื่อมันเกิดจะบอกว่าไม่มีก็ได้ไม่มีเมื่อมันดับอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับความมีหรือความไม่มี ไม่เกี่ยวกับเที่ยงหรือขาดศูนย์นี่ของพระพุทธเจ้าเป็นแบบสายกลางเพราะอันนี้มีอันนี้มันจึงมีเพราะอันนี้เกิดขึ้นอันนี้จึงเกิดขึ้นเพราะอันนี้ไม่มีอันนี้จึงไม่มีเพราะอันนี้ดับไปอันนี้จึงดับไปอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการแสดงตามความรู้ตามปัญญาแต่พวกไม่มีความรู้เขาก็ยึดข้างใดข้างหนึ่งพอข้างมีก็ยึดข้างหนึ่งมีตัหาไปด้วยก็กลายเป็น ภาวะตันหาพอยึดฝ่ายไม่มีก็ไปยึดข้างหนึ่งอีกเหมือนกันก็กลายเป็นฝ่ายวิภาวะตันหาซึ่งเราทั่วไปก็จะวนเวียนอยู่กับพวกนี้แหละเพราะว่าไม่รู้ตามที่เป็นจริงพอไม่รู้ตามที่เป็นจริงก็เกิดตันหาฉะนั้นตันหานี้แท้ที่จริงมันก็เป็นความอยากด้วยอํานาจความไม่รู้อีกต่อนหนึ่งนะครับถ้ามีความรู้แล้วตันหาก็หมดที่ตั้งเท่านั้นแหละอย่างนี้นะครับ ในการฝึกฝนเพื่อละตัณหาก็คือต้องฝึกฝนให้เกิดความรู้รู้อะไรก็รู้อริยสัจ ร, รู้ความจริงเมื่อรู้ตัณหาก็หมดที่ตั้งไปแต่ถ้ายังไม่รู้ตัณหามันก็ยังมีที่ของมันอยู่มันก็เกิดของมันไปเรื่อยนั่นแหละนะครับนี่นะทุกขะสมุทยโยอริยสัจจังทุกขะสมุทัยอริยสัจอริยสัจ ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์เรื่อยๆวนเวียนไม่สิ้นสุดก็คือตัณหาตัวความอยากตัวความต้องการอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ต้องการให้เป็นอย่างนั้นต้องการให้เป็นอย่างนี้คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ยังมีความหวังเพื่อตัวตนอยู่พอมีความหวังเพื่อตัวตนก็มีการกระทําอยู่เรื่อยๆเรียกว่า โปโนพวิกาเกิดการกระทาด้วยอำนาจอุปาทานนันดิราฆาสหกตามีความเพลิดเพลินกำหนัดกหนัดด้วยอำนาจความเพลินแล้วก็ตัตระตัตราพินันดินียินดียิ่งในอารมณ์ชนิดนั้นๆที่ก่อให้เกิดความรู้สึกว่ามีเรามีตัวเราจริงๆน ะ, ะนันแต่ละคนเขาก็พากัน หาอารมณ์หรือว่าหาสิ่งต่างๆพิสูจน์ว่ามีตัวเองตัวเองอยู่ตลอดเพราะว่าเขามีความเห็นผิดมีความเข้าใจผิดผิดมีความไม่รู้อริยสัจพอไม่รู้อริยสัจก็ไปทําด้วยอำนาจตัณหาพอทอําด้วยอำนาจตัณหาก็ได้ทุกข์อันใหม่ๆมาวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับตัวทุกข์กับตัวสมุทัยก็เลยเกี่ยวข้องกันลักษณะเช่นนี้ก็คือ เพราะไม่รู้ทุกตามที่มันเป็นจริงก็ก่อให้เกิดตัณหาคือความอยากด้วยอำนาจความไม่รู้นั้นของที่มันไม่เที่ยงก็อยากจะให้มันเที่ยงของที่มันเป็นทุกข์ก็คิดว่าโอ้อันนี้ทำให้เรามีความสุขอันแท้จริงของที่มันบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนก็คิดว่าจะบังคับให้มันได้ของที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของก็ หามาครอบครองมากมายแล้วเกินแล้วนะจนทุกวันนี้เรามีสิ่งของเยอะแยะใช่ั้มนั่นนะ่ะได้ทุกอันใหม่มาไหมได้ทุกอันใหม่มาไม่สิ้นสุดเพราะว่าตัณหาที่เกิดด้วยอำนาจความไม่รู้นั่นแหละนะครับนะถูกจันี้ยังไม่พอต่อไปก็ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรือยอ ย, อย่างนี้นะนี่บาลีข้อส7 4รเจ็สิบสี่ อิดังวุจจตาวุโสทุกขสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนท่านผู้มีอายุนี้แหละเรียกว่าทุกขสมุทยอริยสัจนะครับต่อไปย่อหน้าสุดท้ายก็เป็นทุกขนิโรธอริยสัจอ่านพร้อมกันนะครับกัตมันจาวุโสทุกขนิโรโทอริยสัจจัง โยตัสยาวะตันหายะอเสสะวิราคะนิโรโธจาโคปตินิสัคโคมุตติอานาลโยอิดังวุจตาวุโสดุขะนิโรโธอริยสัจจังกะตมันจาวุโส ทุกขานิโรธอริยสัจจังดูก่อนท่านผู้มีอายุทุกขานิโรธอริยสัจอริยสัจความจริงอันประเสริฐคือทุกขานิโรธความดับสนิทของทุกความอิสระจากทุกความไม่มีทุกขนั้นเป็นไนทุกขานิโรธทุกขะนิโรธเ น, นี่ยนะ คำว่าทุกนั้นก็คือกายกับใจอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนิโรธะนิก็แปลว่าไม่มีโรธะก็แปลว่าเครื่องคุมขังหรือว่าเครื่องยึดติดเครื่องติดข้องนิโรธะการไม่มีเครื่องคุมขังไม่มีสิ่งที่ยึดติดไม่มีสิ่งที่ติดข้องอันนี้เรียกว่านิโรธะแปลว่าไม่มีเครื่องติดข้อง ไม่มีเครื่องคุ้มขังไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีทุกข์หรือว่าอิสระไปจากทุกข์อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่จะแปลนะน ะ, นะโดยส่วนใหญ่ในเมืองไทยเราก็แปลว่าดับความดับแต่ว่านีโรธอันนี้ไม่ใช่ดับแบบเกิดมาแล้วดับถ้าจะแปลว่าดับก็แปลว่าได้เหมือนกันแต่แปลว่าดับสนิทหมายถึง เพราะไม่เกิดจึงไม่ดับอย่างนี้ก็พอใช้ได้นะ แ, แปลว่าดับก็ได้แต่หมายถึงว่ามันดับสนิทหมายถึงว่ามันไม่เกิดอีกเลยอันเนี้ยไม่มีทุกเกิดจึงไม่มีทุกจะให้ดับก็แปลว่าดับสนิทของทุกขอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ถ้าทุกมันเกิดมาเราจะดับทุกอันนี้เราไม่ไม่ได้ใช้ว่านิโรธะมันคนละคํากันนะครับ <ee> นิโรธะอันนี้จะแปลว่าดับก็ได้แต่หมายถึงดับสนิทคือ ไม่มีทุกเกิดจึงไม่มีทุกขจะให้ดับนั่นแหละ <c oughs> เขาเรียกว่านิโรธะหรือว่าอิสระจากทุกขก็ได้ไม่มีทุกขอันใหม่มันเกิดมีแต่ของเก่ามันเกิดดับตามเหตุตามบัจจัยของมันไม่มีอันใหม่เกิดมันก็ไม่มีทุกจะให้ดับอันนี้ก็ทุกขานิโรธะนะหรือว่าอิสระจากทุกข์ก็ได้คือหมายถึงทุกขต่างๆมันมีเหตุเกิดขึ้นมันก็เป็นไปาตามเหตุตามบัจจัยของมันนั่นแหละ เราก็อยู่เหนือมันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าไปยุ่งกับมันไม่เกิดตัณหาไม่เกิดทุกข์อันใหม่ๆก็อิสระจากทุกอันเดิมอย่างนี้ก็ได้แล้วท้ายที่สุดก็อยู่เหนือทุกไปหมดทุกไปโดยสิ้นเชิงอันนี้นะครับความหมายของทุกขะนิโรธนะฉะนั้นต้องเข้าใจคำว่าดับดับให้ดีๆนะนะไม่ใช่โอ้ตอนนี้ร้อนๆ อ, อยู่ พอหายร้อนแล้วโอ้เย็นแล้ดับแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะแบบนั้นความร้อนมันดับแต่นี้ก็คือความร้อนมันไม่เกิดฉะนั้นมันจึงดับเย็นสนิทอย่างเนี้ยพอเข้าใจไหมไม่มีความร้อนเกิดมันจึงเยน็นไม่ใช่ร้อนเกิดแล้วพอร้อนหายแล้วค่อยเยน็นไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่โดยส่วนใหญ่เวลาดับดับเราจะมักพูดถึงว่าอ้าวมันร้อนอยู่สักหน่อยเปิดแอร์อ้าวเย็นแล้วร้อนดับไปแล้วเขาว่าอย่างนี้ อันนี้มันไม่ใช่นีโรธะนะอันนี้มันแบบเกิดดับธรรมดาของมันไปแต่แบบนิโรธานี้ไม่มีร้อนเกิดมันจึงเย็นสนิทเห็นไหมไม่มีความร้อนเกิดขึ้นมันจึงเรียกว่าเย็นแต่จริงมันคือเย็นนั่นแหละเขาเลยเรียกไม่รู้จะเย็นยังไงก็เย็นสนิทไปเลยนี่ไม่มีเกิดมันจึงดับไม่ใช่ดับแบบเกิดแล้วค่อยดับไม่ใช่อางนั้นเขาจึงเรียกว่าดับสนิทอย่างนี้ พอเข้าใจไหมไม่มีทุกเกิดจึงไม่มีทุกจะให้ดับหรือว่าไม่มีสภาวะอะไรอะไรเกิดจึงไม่มีจะต้องดับมันเนี่ยความหมายอนี้แหละเรียก ว, ว่าทุกขะนิโรธะไม่มีทุกเกิดก็ไม่มีทุกจะให้ดับอยู่เหนือทุกไปอิสระจากทุกไปถ้าทุกมันมีเหตุปัจจัยเป็นของเก่าเก่ามันก็เกิดตามเหตุของมันไปแต่ไม่มีทุก์ใหม่เกิดขึ้นอย่างนี้ ต่อไปก็ขยายความโยตัสาเยวะตันหายะอาเสสะวิราคะนิโรโธการดับสนิทไปด้วยการสำรอกออกโดยไม่มีส่วนเหลือของตันหานั้นนั่นแหละตัดสาเยวะตันหายะของตันหานั้นนั่นแหละตันหาข้างบนที่เป็นทุกขะสมุทัยอริยสัต์นั้นแหละอาเสสะแปลว่าไม่มีส่วนเหลือ วิราคะแปลว่าสํารอกออกนะครับเมื่อกี้ราคะนี้เป็นลักษณะของทุกขะสมุทยัยคือตัวตันหาตัวความกาหนัดวิราคะก็ตรงกันข้ามคือคลายออกสํารอกออกนะหรือว่าถ้าเป็นของที่เรากินเข้าไปแล้วมันเป็นของมีพิษเราก็คลายออกอะไรพวกนี้นะถ้าเป็นภาษาโบราณหน่อยเขาเรียกสํารอกออกก็หมายถึงว่า เรากินของเข้าไปแล้วมันเป็นพิษเป็นพิษแล้วมันมีโทษต่อร่างกายเราก็สัมรอกออกมาคายออกมาคายทิ้งว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยวิราคะคายทิ้งโดยไม่มีส่วนเหลืออสเสสะนิโรโทนี่คือความดับสนิทความดับสนิทโดยการคายออกโดยไม่มีส่วนเหลือของตันหานั่นนั่นแหละเนี่ยคือของสมุทัยเนี่ยตันหาความอยากความต้องการมันพาเราไปทํานั่นทํานี่ใช่ไหม ทำเยอะแยะไปหมดเลยด้วยความอยากความต้องการการคลายความอยากออกสํารอกมันออกไม่ทําตามมันอ่ะสำรอกมันออกจนไม่มีส่วนเหลืออันนั้นนั่นแหละอันนี้เรียกว่าดับสนิทนะครับดับสนิทโดยการสํารอกไม่มีส่วนเหลือของตันหานั้นนั่นแหละเนี่ยเขเรียกว่าดับสนิทนะครับก็คือไม่มีทุกข์ใหม่มันเกิดแล้วเพราะว่าทุกข์ใหม่มันจะเกิดด้วยอํานาจของ ตันห า, นาความไม่รู้ทำให้เกิดความอยากแล้วก็ไปทำก็เกิดทุกข์อันใหม่ๆทีนี้ถ้าสํารอกตันหาโดยไม่มีส่วนเหลือเป็นไงมันก็ไม่ทำพอไม่ทำก็คือดับสนิทอย่างนี้อันนั้นแหละเป็นลักษณะของทุกขนิโรธะนะครับท่านจึงขยายความมาว่าโยตัสสาเยวะตัหายะ อาศะวิราคะนิโรโธการดับสนิทโดยการสํารอกออกโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละอันนี้ก็เป็นทุกขะนิโรโธนะครับคือไม่มีทุกข์ใหม่จะให้เกิดนั่นเองส่วนทุกข์เก่าก็มันเกิดเพราะเหตุมันก็เกิดตามเหตุของมันเกิดเองมันก็ดับเองของมันแหละแต่ตอนนี้หมายเอาเฉพาะทุกข์ใหม่ๆเพราะว่าทุกข์ใหม่ๆมันเกิดจากตัณหาเมื่อเราสํารอก ตันหาออกไปไม่ทำตามตันหาทุกใหม่มีไหมทุกใหม่ก็ไม่มีทุกใหม่ไม่เกิดนะไม่มีทุกเกิดก็ไม่มีทุกจะให้ดับสบายไหมโอ้สบายนะไม่มีปัญหาเกิดแล้วจะมีปัญหาให้ดับไหมไม่มีโอ้ทำไมมันสบายขนาดนี้อันนี้ก็คือทุกขานิโรธานั่นเองนะครับฉะนั้นทุกขนิโรธาจึงเป็น ความเบาสบายหรือว่าการพักผ่อนอย่างถึงที่สุดแล้วนะครับซึ่งง่ายมากเลยก็คือการสํารอกโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งตันหานั้นลั่นแหละคือเอาความอยากออกไปไม่อยากไม่ต้องการเอาความอยากออกอะไรแต่เดิมที่เราเคยทำพบการกระทำด้วยอำนาจอุปาทานที่ทำบ่อยๆเลิกเลิกทาตามนะ ประกอบด้วยอำนาจกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินอันนี้ก็เลิกเพลิดเพลินยินดียิ่งในอารมณนน์นั้นๆเราก็เลิกยินดีนี่สซ้ำรอกมันออกมาถึงคายมันทิ้งเอามันทิ้งไปมันลำบากตอนเอามันทิ้งเลยนะใช่ไหมแต่ก็มีหนทางให้เป็นอริยสัจข้อที่สแต่ตอนนี้กําลังพูดถึงสภาวะอยู่ว่าทุกขานิโรธอันแท้จริงก็คือ ตัดสาเยวะตันหายะอเสสะวิราคานิโรโธการดับสนิทโดยการสำรอกโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งตันหานั้นนั่นแหละจาโคเป็นจาคะคือการสละออกไปคือการเอาออกนะครับนาจาคะเป็นลักษณะของการเอาออกในลักษณะเช่นนี้ก็แสดงให้เห็นอยู่ว่า เราทั้งหลายโดยทั่วไปแล้วเป็นพวกที่มีความไม่รู้และก็มีความอยากในอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เยอะแยะฉะนั้นจึงต้องมาเอาออกการเอาออกไปอันนี้ก็เป็นนิโรธะเหมือนกันการเอาออกก็คือจาคะจาคะภาษาเราก็คือการบริจาคการสละออกนะครับปฏินิสโคการสละคืนอันนี้ก็คือให้คืน ปฏินิสัคปินิสโคนี่เป็นลักษณะการให้คืนเหมือนกับของที่เรายืมเข้ามาเราก็คืนเจ้าของเขาไปอันนี้เรียกว่าปฏินิสัคะนะครับกายกับใจเรานี้ก็เป็นของโลกใช่ไหมอ่าเป็นของโลกเป็นเรื่องของธาตุธาตุของโลกแขนขาอะไรต่างๆนี้เป็นธาตุของโลกนะเป็นซากเป็ดซากไก่ซากอะไรเรากินเข้ามาแล้วมาสร้างเป็นร่างกายนี้เราก็คืนเขาไป คืนโลกไปไม่มายึดว่าเป็นของเราใช่ไหมอันนี้เรียกว่าปฏินิสตัโคโคือการสละคืนไม้คล้ยๆกับว่าเรายืมของคนอื่นเข้ามาเราก็คืนเจ้าของเขาไปนะพอคืนเจ้าของเข้าไปมันก็เป็นของเจ้าของเขานะตอนที่ยืมเข้ามานี่อาจจะคิดว่าเป็นของเราชั่วเวลาหนึ่งก็ได้แต่เป็นความเข้าใจผิดเฉยๆเราก็คืนเข้าไปกายกับใจเรานี้ก็เหมือนกันอะไรต่างๆ ที่เราคิดว่าเรามีก็เหมือนกันเราก็คืนเขาไปนะคืนให้กับธรรมชาตินะครับธรรมชาติคืออะไรล่ะคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีใครเป็นเจ้าของนี่เราก็ให้คืนไปอย่างนั้นแหละนะครับอันนี้เรียกว่าปฏินิสัะการสละคืน มุติความพ้นจากมันไปเมื่อคืนไปแล้วก็พ้นจากมันไม่ยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วเหมือนกับเราคืนทรัพย์สินให้เจ้าของเขาไปแล้วก็ไม่ต้องมาดูแรลรักษาแล้วใช่ไหมเพราะว่าคืนเจ้าของเขาไปแล้วกายกับใจอย่างนี้เราคืนให้ธรรมชาติไปแล้วเราต้องเหนื่อยกับมันไหมทีนี้เออนะเราให้ให้เจ้าของเขาไปแล้วนี่เราก็ไม่ปวดหัวแล้วนะ ส่วนการดูแลรักษาอะไรต่างๆเป็นภาระก็ต้องดูแลไปส่วนความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราหรือว่าต้องรับผิดชอบอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะหมดไปเหมือนกับเราคืนเงินให้เจ้าของเขาไปแล้วเราก็ไม่ต้องรักษาเงินนั้นไว้แล้วเป็นไงสบายไหมสบายมากอันนี้เ็าเรียกมุตติคือการพ้นไปกายกับใจเราเองนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราพ้นไปมันก็จะสบายอย่างนั้นนั่นแหละ นะครับการพ้นไปอันนี้ก็เป็นทุกขนิโรธเหมือนกันอนารโยไม่อาไรนะไม่อาไรเพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆนะครับอันนี้เป็นลักษณะของทุกขนิโรธซึ่งลักษณะของทุกขานิโรธถ้าว่ากันตามนี้แล้วก็จะมีลักษณะที่ตรงข้ามกับทุกขสมุทัยเป็นคนละข้างกันนะฉะนั้นอะไรที่ ท่านฝึกฝนนะท่านต้องฝึกฝนให้มันตรงกันข้ามกับทุกขะสมุทัยะให้มันตรงกันข้ามกับตันหาไม่ใช่ไปทําตามตันหานะต้องฝึกฝนที่จะไม่ทําตามตันหานะให้มันละตันหาได้โดยมีวิธีเป็นกันก็นกคือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานะ แต่ตอนนี้กำลังพูดถึงสภาวะที่เป็นทุกขะสมุทยัยซึ่งเป็นลักษณะของตันหากับทุกขะนิโรธะซึ่งเป็นลักษณะที่ดับสนิทจากตันหาจาโคความสละปฏินิสโคการสละคืนมุ ต, ติการหลุดพ้นอนาลโยความไม่อาลัย อิดังวุจตาวุโสทุกขนิโรโทอริยสัจจังดูก่อนท่านผู้มีอายุนี้แหละเรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัจนะครับนะอันนี้ทุกขนิโรธอริยสัจความดับสนิทของทุกความไม่มีทุกหรือว่าความอิสระไปจากทุกก็คือความดับสนิทไปของตัณหา การสละคืนความพ้นแล้วก็ความไม่มีอะไรนี่บาลีข้อ374ต่อไปบาลีข้อ375ในหน้าที่4ก็กล่าวถึงทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงทุกขะนิโรธได้ ในบาลีข้ออ็อ่านพร้อมกันนะครับกะตะมันจาวุโสดุขะนิโรธคามินีปฏิปดาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัทถังคิโกมัคโคเศยะทีดังสัมมาดิธิ สัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิกตมัญจาวุโสทุกขนิโรธคามินีปติปนาอริยสัจจังดูก่อนท่านผู้มีอายุ อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงทุกขะนิโรธะเป็นไฉไหนอยะเมวะอริโยอัฏังคิโกมัคโคคืออริยมรรคมีองค์8ประการนี้เท่านั้นเสย่าธีดังก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ นะครับอันนี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจซึ่งเป็นอริยสัจข้อที่4อันนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการนี้เท่านั้นในอริยมรรคมีองค์8ประการนี้ท่านก็กล่าวเป็นคำเอกพจน์ก็คือคำที่กล่าวถึงสิ่งเดียวอยะเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโค อริยมรรคมีองค์8ประการนี้เท่านั้นอันนี้ก็หมายถึงสภาวะที่เรียกว่าทุกขานิโรธค า, ามินีปฏิปทาอริยสัตว์อันแท้จริงก็คือสภาวะที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินี้เกิดพร้อมกันกลายเป็นอริยมรรคแบบเดียวกันพร้อมกันไปเลยเรียกเป็นสิ่งเดียวกันนะครับ นะไม่ใช่มาเป็นข้อๆนะหมายถึงว่าเกิดพร้อมกันเป็นคุณสมบัติภายในจิตทํามนองนี้นะก็เหมือนกับคนเราที่ได้รับการฝึกฝนให้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคนเป็นนักกีฬาอย่างนี้เป็นต้นนะคนเป็นนักกีฬานะกว่าจะมาเป็นนักกีฬาเก่งชนิดนี้ชนิดนี้เขาก็ต้องฝึกมานะไปฝึกโน้นฝึกนี่มาตามสมควรนะเช่นนักกีฬาวิ่งร้อยเมตรก็ต้องไปฝึกมา ตั้งแต่ฝึกกำลังขาฝึกท่าวิ่งฝึกการออกสตาร์ทฝึกอย่างนู้นอย่างนี้มาพอฝึกมามีคุณสมบัติอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเขาก็มาวิ่งวิ่งก็กลายเป็นนักวิ่งไปอย่างนี้นะคุณสมบัติที่รวมเป็นตัวเขาที่เขาเป็นนักวิ่งอันนี้ก็เหมือนกับเป็นคุณสมบัติอันเดียวไปเลยแต่กว่าจะมีคุณสมบัติอันนี้ก็ไปฝึกมาอันนี้ก็ทานองเดียวกัน อริยมรรคมีองค์8ประการนี้ก็เป็นเหมือนคุณสมบัติที่เกิดขึ้นในจิตครั้งเดียวนั่นแหละแต่กว่าจะมีคุณสมบัติอย่างนี้ได้ก็ต้องไปฝึกมานะพอฝึกมาแล้วพอมีคุณสมบัตินี้เกิดรวมกันขึ้นก็เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจซึ่งมีอยู่8ประการนะที่เป็นองค์คุณสมบัติที่ทําให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์นะครับ มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปอันนี้เป็นองค์ปัญญาสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีวนี่เป็นองค์ศีลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นองค์ของสมาธิในหลักของอริยมรรคนั้นเอาองค์ปัญญาขึ้นก่อนนำหน้าแล้วตามมาด้วยศีลแล้วก็สมาธิอันนี้หมายความว่าในการปฏิบัติธรรมนั้น ให้ใช้ปัญญานาหน้าแต่ว่าปัญญาจะเกิดได้ต้องมีฐานให้เกิดคือศีลกับสมาธิความหมายคืออย่างนี้นะครับหรือว่าเราจะแยกอีกแบบหนึ่งก็ได้เป็นสมถะกับวิปัสสนาสมาธิสัมมาสังกปโปอันนี้เป็นวิปัสสนาสัมาวาจาสัมากรรมมันโตสัมาอาชีโวสัมาวายโมสัมาสติสมมาสมาธิอันนี้เป็นสมถะ นะครับหมายคาอว่าในการปฏิบัติธรรมนั้นเราเน้นการปฏิบัติไปที่วิปัสสนาคือการมองเห็นตามที่มันเป็นจริงแต่วิปัสสนาไปเดียวๆไม่ได้ต้องอาศัยสมถะความหมายคืออย่างเงี้ยนะครับนะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องหลักของอริยมรรคมีองค์8ปประการและเราก็จะไม่งงหรอกเรื่องสมถะวิปัสสนามันยังไงศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นยังไงอะไรยังไง เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วการปฏิบัติมันมีแบบเดียวเท่านั้นแหละคือการที่ฝึกฝนให้มีปัญญามีความรู้แต่จะมีปัญญาได้มันก็ต้องมีพื้นฐานคือศีลกับสมาธิอย่างนี้เราปฏิบัติฝึกฝนไปเพื่อรู้แจ้งความจริงเท่านั้นแหละแต่ว่าจะฝึกฝนเพื่อรู้แจ้งตามความเป็นจริงได้เห็นอริยสัจได้เราก็ต้องอาศัยจิตที่มีความตั้งมั่นเป็นสมาธิมีสมถะเกื้อหนุนอยู่มันจึงทาได้ ในความหมายมันคืออย่างนี้นะครับนะอันนี้ถ้าเราเข้าใจหลักของอริยมรรคมีองค์แปดประการซึ่งเวลาสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตอนที่ยังไม่สมบูรณ์เราก็ฝึกฝนเพื่อให้มันเป็นอย่างนี้ก็ฝึกฝนให้มันสอดคล้องกันนีแหละส่วนเราจะใช้รูปแบบไหนวิธีไหนอันไหนจะมากจะน้อยอะไรก็ตามใจเราเพียงแต่ว่าต้องให้มันเข้ากับหลักอันนี้ก็ใช้ได้ ก็คือให้มีความรู้นำเอาไว้คือมีปัญญานำนะครับส่วนเราจะรักษาศีลแบบคารวะาหรือว่าจะรักษาเยอะกว่านั้นแบบศีลแปดศีลสิบหรือว่าไปบวชพระอันนี้ก็ทำได้ตามสบายแต่ว่าต้องมีปัญญานำเห็นไหมตัวศีลตัวสมาธิเป็นฐานเฉยอย่างนี้ปัญญานำนะครับใครจะทำสมถะขนาดไหนก็ได้แล้วแต่ จะทําจนได้ชาญได้อรูปฌานได้อะไรสูงๆได้เห็นโน่นเห็นนี้อะไรก็ตามสบายถ้าทําได้แต่ว่าต้องมีปัญญานำํำหรือว่าใครทําไม่ถึงก็ได้เหมือนกันก็มีปัญญานําำความหมายคืออย่างนี้นะครับนี่เป็นลักษณะของอริยมรตมีองค์8ประการนะ เมื่อมีปัญญามีสัมมาทิฏฐินำแล้วก็จะไม่สงสัยเรื่องของการปฏิบัติว่าโอ้สีลสมา ธ, ธิปัญญานี้ทำยังไงต้องรักษาสีลก่อนต่อมาทำสมาธิต่อไปเจริญปัญญาอันนี้มันไม่ใช่นะต้องแบบมีสัมมาทิฏฐิมีความรู้นำเมื่อมีความรู้นำฝึกฝนไปก็เกิดสีลเกิดสมาธิและเกิดปัญญาอย่างนี้ถ้ามีปัญญานำ หรือว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องนำหน้ามาก็จะไม่สงสัยเรื่องของการทำสมถะและวิปัสนานะบางคนก็สงสัยเอ๊จะทำสมถะขนาดไหนและมาเจริญวิปัสนาจเจริญวิปัสนาแล้วต่อไปไปทำสมถะเอ๊กลับไปกลับมาไม่รู้ยังไงวนไปวนมาแต่โดยแท้จริงแล้วสมถะมันเป็นฐานให้เกิดวิปัสนาถ้าเรามีความรู้นำหน้านะ อาวันนี้ทําวิปัสสนาได้ก่อนก็ทําไปเลยอย่างนี้นะพอทําไปแล้วอ้าวจิตมันสงบสงบแล้วก็ทําสมถะอย่างนี้ไม่ต้องไปนั่งทําสมถะตอนที่จิตไม่สงบไปนั่งทํามันก็ไม่ได้เรื่องนะถ้าจิตไม่สงบเราก็ทําวิปัสสนาไปก่อนเพราะว่าเรามีความรู้นําหน้าอยู่แล้วพอเจริญวิปัสสนาไปดูความจริงที่เปลี่ยนแปลงไปจิตมันสงบของมันพอจิตมันสงบเราก็เจริญสมถะ ให้มันสงบเข้าไปมีกำลังเข้าไปอีกอย่างนี้พอวันต่อมาอ้าวจิตมันสงบอยู่แล้วเราก็เจริญความสงบหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเจริญวิปัสสนาอย่างนี้ก็ได้สลับกันไปสลับกันมาก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่เราโดยส่วนใหญ่เป็นพวกชอบมีปัญหาเยอะนะเพราะว่าเขามั่วพวกง่ายงฉะนั้นอย่ามั่วมากนะครับต้องมี ปัญญานำหน้าไว้สัมมาทิฏฐินำหน้าไว้นะถ้ามีปัญญานำหน้าก็าจะไม่มีปัญหาอื่นๆตามมาพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าการมีสัมมาทิฏฐินำหน้านั้นการปฏิบัติธรรมหรือว่าการฝึกฝนตนเองใหถึงพระนิพพานนั้นเป็นเรื่องง่ายและเบาสบายเหมือนกับท่อนไม้ที่ลอยไปตามน้ำถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุสกก่อนท่อนไม้ก็ต้องถึงมหาสมุทรลอยสบายมากนะ แต่ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐินําหน้าเป็นไงโอ้โหเป็นเรื่องเรื่องอยากลําบากมากเหลือเกินไม่รู้ใครจะไปฉุดเรามาได้นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นในหลักของอริยมรรคท่านจึงขึ้นต้นด้วยองค์ของปัญญาคือองค์ของสัมมาทิฏฐิความรู้ความเข้าใจที่ถูกแล้วค่อยฝึกฝนอันนี้เมื่อสมบูรณ์ก็เป็นไปอย่างนี้นั่นแหละนะครับแต่ว่า มันก็จะสมบูรณ์ไปตามลำดับของศิกขาของศีลสมาธิปัญญาต่อไปท่านก็จะขยายความแต่ละองค์แต่ละองค์นั้นเราอ่านองค์ปัญญาก่อนสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปกตามาจาวุโสสัมมาทิฏฐิยังโขอาวุโสดุเขยานัง ทุกขสมุทะเยยานังดุกขนิโรเทียนานังทุขนิโรทคามินิยาปฏิปดาญาณังอายังวุจจตาวุโสสัมมาดิธิกตโมจาวุโสสัมมาสังกัปโปเนคัมมะสังกัปโป อภยาปาดาสังกัปโปอวิหิงสาสังกัปโปะอยังวุจตาวุโสสัมมาสังกัปโปนะครับสององค์แรกนี้เป็นองค์ฝ่ายปัญญานะในการปฏิบัติก็ให้เริ่มต้นด้วยฝ่ายปัญญาคือความรู้รู้ไม่ทั้งหมดก็ไม่เป็นไรรู้เล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไร แต่ต้องเริ่มต้นด้วยความรู้แล้วก็ฝึกฝนไปเพื่อให้มีความรู้ในสิ่งที่เคยรู้นั่นแหละเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นท่านให้รู้อะไรล่ะเราก็มาดูตามที่ท่านบอกนี่เริ่มตั้งแต่รู้น้น้อยก่อนกตมาจาวุโสสัมมาทิฏฐิดูก่อนน่านผูมีอายุสัมมาทิฏฐิเป็นไน ย, ยังโข อ, อาวุโสลุกเขยานังดูก่อนท่านผู้มีอายุ ความรู้ในเรื่องทุกขขสมุทเยายานังความรู้ในทุกขะสมุทัยทุกขนิโรเทยานังความรู้ในทุกขนิโรธะทุกขนิโรธคาไมนิยาปฏิปดายะยานังความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปดาอายังวุจตาวุโสสัมมาทิฏฐิดูก่อนท่านผู้มีอายุนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้องที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็คือความรู้ในอริยสัจทั้ง4นะเริ่มต้นการปฏิบัติธรรมต้องมาเข้าใจเรื่องนี้ก่อนให้มีปัญญาเรื่องนี้ก่อนเริ่มต้นจากมาฟังฟังให้เข้าใจเรื่องอริยสัจทั้ง4ไปฝึกฝนก็ให้มันสอดคล้องกับวันนี้เพื่อเข้าใจอันนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปตามลําดับนะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อ ง, เ ร, งเราต้องเข้าใจเรื่องอริยสัจ อย่างที่ท่านบอกเอาไว้นี่ให้เริ่มต้นที่เรื่องอันนี้ทุกขเขยานังนี้ยานในทุกขนี่ต้องรู้ว่าทุกคืออะไรทุกคือกายกับใจเหล่านี้นะเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งของวิปัสสนาเป็นที่ตั้งของความรู้แจ้งนะตัวทุกขคือสิ่งที่มันปราศจากตัวตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานี่ถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องมาฟังก่อนฟังแล้วก็ไปฝึกฝนให้เกิดยานในทุกข ยาณในทุกขะสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรอันนี้ต้องมาศึกษาเหตุให้เกิดทุกข์อันนี้เราเรียนมาแล้วใช่ไหมถ้าเข้าใจก็เป็นสัมมาทิฏฐิแต่เริ่มต้นขั้นการฟังยังไม่เป็นองค์อริยมรรคก็ค่อยๆฝึกไปนะครับทุกขะสมุทัยก็คือตัวตัณหาตัวความอยากด้วยอำนาจความไม่รู้นั่นแหละ ทุกขนิโรเทยานังยานในทุกขนิโรธาทุกขนิโรธาคืออะไรคือความสิ้นไปของตัณหาการหมดความอยากสำรอกความอยากไปสละคืนไปพ้นจากมันไปไม่อาลัยยินดีทุกขานิโรธคามินีปฏิปดายะยานังความรู้ในข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกขคืออะไร ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการก็ต้องมาฟังให้เกิดความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจในเรื่องอริยสัจทั้ง4อันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐินะครับดังนั้นสัมมาทิฏฐิต้องเข้าใจนะมาฟังก่อนให้เข้าใจแล้วก็เอาไปฝึกฝนไปฝึกฝนก็เพื่อเข้าใจเรื่องนี้ถ้าเข้าใจเรื่องนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิแต่พอมาเรียนแล้วไปเข้าใจเรื่องอื่น เข้าใจเรื่องเทวดาเรื่องพระพรหมเรื่องโน้เรื่องนี้เป็นไงโอ้ยนี่มันออกลงทะเลไปแล้วลงอ่าวลงอะไรไปแล้วมั่วไปแล้วมันไม่ใช่สัมมาทิฏฐิตามที่ท่านบอกแล้วนี่นะครับเราต้องรู้ว่าโอ้มาเรียนแล้วก็เพื่อเข้าใจอริยสัจทั้งสี่เรียนไปเยอะขนาดไหนก็เพื่อเข้าใจอันนี้เท่านั้นนะไม่ใช่เรียนไปเยอะๆเพื่อจะเข้าใจอะไรเยอะๆนะเรียนไปเยอะๆเพื่อจะเข้าใจอริยสัจทั้งสี่ ถ้าเรียนไปเยอะแล้วเข้าใจอันนี้ได้ก็ใช้ได้ถ้าเรียนไม่เยอะแล้วเข้าใจได้ก็ใช้ได้แล้วบางคนเรียนเยอะแล้วโอ้โหไม่รู้เรื่องหาตรงที่กลับไม่เจอเลยนะหาลานบินลงไม่เจอเลยเพราะว่ามันสเปะสปะไปทั่วอันนี้มันไม่ได้เรื่องนะไม่ได้สัมมาทิฏฐินะครับในการปฏิบัติก็ทำนองเดียวกันปฏิบัติก็เพื่อให้เกิดยานความรู้เกี่ยวกับอริยสัจทั้ง4นี่แหละ จึงจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเราก็ลองสังเกตดูปฏิบัติไปแล้วมันเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเข้าใจเรื่องนี้เพิ่มขึ้นไหมถ้าปฏิบัติไปแล้วได้แต่เห็นเทวดาได้แต่จิตสงบได้แต่โน่นได้แต่นี่เป็นไงโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้เรื่องนะมันต้องปฏิบัติไปแล้วมันต้องมีสัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นส่วนเรื่องศีลเรื่องสมาธิเป็นแค่ตัวหนุนให้เกิดปัญญาเท่านั้นเองนี่ตัววัดมันเริ่มต้นจากปัญญาแล้วก็ฝึกก็ เพื่อปัญญาแทงตลอดก็ด้วยปัญญานี่เข้าใจหมในตอนเริ่มต้นเรามาฟังก็ฟังอริยสัจปฏิบัติก็ปฏิบัติตามอริยสัจพอแทงตลอดก็แทงตลอดอริยสัจบรรลุธรรมก็บรรลุด้วยการเห็นอริยสัจนี่มันจึงเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นลักษณะขององค์อริยมรรคนะถ้าเราได้เรียนเราก็จะทำได้ถูกต้องถ้าไม่ได้เรียนบางทีก็งงสับสนใบมั่วไปหมดนงะ ทั้งๆ ท, งที่ท่านแสดงไว้นี่มันเรียบง่ายแล้วเราก็ไปเรียนนั่นเรียนนี่มากเกินไปจนไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไปนะครับนี่ต้องเรียนให้ได้แบบสัมมาทิฏฐินะครับแล้วก็ปฏิบัติก็ปฏิบัติให้ได้แบบสัมมาทิฏฐิเห็นอะไรเยอะแยะเห็นโน่นเห็นนี่เยอะแยะอะไรต่างๆก็เพื่ออะไรล่ะเพื่อรู้จักว่าอ่านี้มันทุกข์นะตัวนี้มันทุกข์อ๋อตัวนี้ทุกขะสมุทยัยนี่ เพื่อให้ได้ความรู้อันนี้แล้วก็สรุปรวบย่อลงมาให้เหลืออายุเท่านี้ไม่ใช่ปฏิบัติไปแล้วได้โน่นได้นี่เยอะขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันอันนี้มันได้อะไรไหเนี่ยมันไม่ได้อะไรแล้วนะเราปฏิบัตินี้ไม่ใช่เพื่อได้อะไรเยอะขึ้นนะเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นทุกขเป็นทุกขะสมุ ท, ทยัยทุกขนิโรธาทุกขนิโรธคาม่มีปฏิปทาเพื่อให้เข้าใจอันนี้เพิ่มขึ้นถ้าเข้าใจอันนี้เพิ่มขึ้นก็ แสดงว่ามันถูกต้องนะไม่ใช่ไปได้จิตสงบเยอะขึ้นไม่ใช่ไปได้อะไรที่มันดีๆเยอะขึ้นไม่ใช่เง้นต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์อะไรต่างๆมันเป็นทุกข์คือมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของบังคับไม่ได้บางครั้งมันดีบ้างบางครั้งมันไม่ดีบ้างบางครั้งมันงงบ้างบางครั้งมันสงสัยบ้างบางครั้งมันมีความสุขบ้างบางครั้งมันทุกข์บ้างเนี่ยเพื่อเห็นว่าอ๋อเนี่ยนี่ยมันทุกข์มันเป็นของไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ ส่วนเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรตันหาเนี่ยได้เห็นมัอนอ๋อนี่เราอยากแล้วนี่นี่ฝึกฝนก็เพื่อละความอยากใช่ไหมทุกขานิโรธะนี่ได้รู้ตักทุกขสุโมไทยทุกขนิโรธะหนทางก็คือฝึกให้รู้มากขึ้นมากขึ้นให้มีสัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นนั่นนี่อย่างนี้นะครับนี่พอเข้าใจไหมสัมมาทิฐินะครับ ต่อมาก็สัมมาสังกัปปก็เป็นองค์ฝ่ายปัญญาเหมือนกันกตโมจาวุโสสัมมาสังกัปปดูก่อนท่านผู้มีอายุสัมมาสังกัปปะความดําริความเอ็นเอียงของใจหรือว่าความปรารถนาในใจที่มันถูกต้องเป็นฉไฉ่เนเขมะสังกโปดําริในการออกจากกามออกจากวัตถุสิ่งของที่เราเคยเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากเอาไว้เนี่ย นี่เราต้องมาฟังก่อนให้เข้าใจว่าอ๋อนี่เราเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้กับอันนั้นนันนี้ไม่ได้นะแล้วก็ฝึกเพื่ออะไรล่ะฝึกก็เพื่อให้จิตมันถอยออกมาให้มันห่างออกมาจากอันนี้ให้มันเลิกอยากได้เลิกคิดว่าเออรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสดีๆจะทำให้เรามีความสุขให้มันเลิกไปให้มันเลิกคิดอย่างนี้นะแต่เราต้องมาฟังก่อนใช่หว่าเออถ้าไปคิด เอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเงินทองหรือการยอมรับมาให้เรามีความสุขแล้วมันไม่ใช่แล้วผิดทางแล้วน้ำมาฟังก่อนนะฮพอมาฟังก็มาฝึกฝนต่อไปก็เพื่อให้มันถอยห่างออกมาอันนี้เรียกว่าเนคขมมะสังกัปปะอัพยาปาณะสังกัปโปความดําริในการไม่พยาบาทไม่ผูกโกรธไม่ผูกเวรไม่อยากเอาคืนไม่หลงสะใจเวลาเขาได้ ประสบกับความทุกข์นี่นะต้องด âm ริทางนี้ต้องมาฟังก่อนว่าโอ้ถ้าไปด âm ริในการทําร้ายเขาเบียดเบียนเขาอยากเอาคืนหรือว่าไปหลงสะใจเวลาที่เขาถูกทําร้ายอันนี้ไม่ถูกแล้วต้องมาฟังก่อนพอฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจใช่ไหมพอเกิดความเข้าใจก็มาฝึกมาฝึกให้ความด âm ริของใจเรานี้มันไปทางนี้ ดําริในการไม่พยาบาทนะครับแต่ถ้าเราไม่ฝึกใจของเรามันก็จะออกไปทำนองพยาบาทคนอื่นมีคนทำร้ายเรามีคนทำไม่ดีกับเราเยอะแยะเขาสมควรได้รับโทษอย่างนู้นอย่างนี้เขาก็ว่ากันไปใช่ไหมฟังดูดีไหมฟังดูดีเหลือเกินแต่ว่ามันถูกหรือมันผิดแบบนั้นมันผิดนะต้องไม่เบียดเบียน วิหิงสาสังกัโปโภดำริในการไม่เบียดเบียนไม่ต้องการเอาชนะคนนั้นคนนี้ไม่ต้องการมีอานาจเหนือคนนั้นคนนี้ไม่ต้องการเก่งกว่าคนนั้นคนนี้อะไรพวกนี้นะอย่าเบียดเบียนกันการเบียดเบียนการมีอานาจเหนือการครอบครองกันหรือว่าทําลายเขาให้กลายเป็นเพียงเหมือนวัตถุสิ่งของซื้อขายได้อะไรพวกนี้มันไม่ดีอย่าไปทํานะครับ โดยส่วนใหญ่รูปลังหลังมานี่เราก็จะเบียดเบียนกันเป็นนั้นมากแล้วก็คือทำให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์มันลดลงโดยอาศัยแค่เงินเท่านั้นเองนะกลายเป็นเงินซื้อคนนั้นก็ได้ซื้อคนนี้ก็ได้กลายเป็นเหมือนบุคคลต่างๆกลายเป็นวัตถุสิ่งของไปอย่างนี้มันไม่ดีอันมันเบียดเบียนกันเองนะครับคุณค่าของคนของมนุษย์มันก็อยู่ที่ตัวมนุษย์นั่นแหละอยู่ที่การมีศีล อยู่ที่การมีหิริมีโอตปะอันนี้คือคุณค่าของมนุษย์คุณค่าของคนนะครับมันก็มีคุณในในตัวมันเองของมันอยู่แต่เรานี้ไปลดลดก็เรียกลดคุณค่าของคนนี้เหลือเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวแหละเหลือเป็นเรื่องชื่อเสียงเหลือเป็นเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นวัตถุภายนอกไปนะครับแบบนี้มันเป็นการ เบียดเบียนกันเองทำให้คุณค่าของคนต่างๆลดลงคนมีคุณค่ามากขึ้นเพราะเงินมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ยห่างไกลความเจริญเป็นอันมากอย่างนี้นะคนมคีคุณค่ามากขึ้นเพราะได้รับการยอมรับมากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่เลยคนละเรื่องกันเลยนะครับฉนันต้องฝึกให้มันถูกต้องนะครับต้องดาริให้มันถูกต้องนะอย่าเอา คุณค่าของบุคคลอะไรต่างๆมาลดคุณค่าลงไปนะโดยส่วนใหญ่ทุกวันนี้เราก็ลดคุณค่าลงไปอะไรต่างๆมากมายแล้วผ่านประเพณีผ่านพิธีกรรมอะไรต่างๆมากมายนั่นแหละจนกระทั่งแม้แต่สามีเราเองเราก็ลดจำนวนเขาลงไปว่าลดความเป็นคนเขาลงไปว่าเนะี่ยกลายเป็นสิ่งของไปแล้วเพราะว่ามันเป็นของเราไปแล้วจริงๆเขาเป็นของเราไหม ไม่เป็นเขาก็มีความคิดมีความรู้สึกอะไรอย่างเขาอะไรเยอะแยะแต่เรานี้ไม่ยอมให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นหรอกเขาต้องเป็นอย่างที่ฉันอยากให้มันเป็นนั่นแ่ะเพราะว่าเขามองสามีเป็นวัตถุสิ่งของเป็นเหมือนรถอันนึงอะไรอันนึงโดยลดคุณค่าเขาลงมาโดยเอาใบจดทะเบียนสมรสดนะ์มาเป็นตัวบอกว่านี่เธอกลายเป็นของฉันแล้ว เห็นไหมพิธีกรรมประเพณีอะไรต่างๆที่เราคิดว่าโอ้ยมันดีเหลือเกินอะไรเหลือเกินนี้แต่ที่จริงโดยส่วนใหญ่มันลดคุณค่าของคนลงมากลายเป็นเหมือนวัตถุสิ่งของมันเป็นการเบียดเบียนกันเองท่านรู้สึกโดนเบียดเบียนไหมโดนเบียดเบียนมันทําให้เราไม่เป็นอิสระทําให้เราต้องคอยทําตามแค่กระดาษแผ่นเดียวหรือว่าแค่อะไรอันเดียวอะไรต่างๆมันลดคุณค่าของคนลงมา ทำไมคนด้วยกันเนี่ยมันเชื่อใจกันไม่ได้หรือยังไงไหนบอกว่ารักกันทำไมต้องจดทะเบียนกลัวมันจะไปก็ไหนบอกว่ารักกันไงเห็นไหมแค่ใจเป็นตัวเองยังเชื่อกันไม่ได้เลยอย่างนี้นะกลัวโกหกกันก็มีอะไรก็มีอย่างนี้นะฉะนั้นมันก็ยากขึ้นนะครับทางประเพณีทางพิธีกรรมอะไรต่างๆท่านก็ทำกันไปนะแต่อย่าให้มันไป หมกมุ่นหรือว่าอยาให้มันไปคิดที่จะเป็นแบบนั้นยึดถือแบบนั้นให้มันถอยออกมานีถอยออกมาไปเรื่อยๆจนกระทั่งอันนั้นเป็นแค่บัญญัติเป็นแค่สมมุติในทางโลกอย่าให้มันมีอิทธิพลในใจเราต่อไปอีกนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นพิธีกรรมสมมุติบัญญัติทางโลกเขาทำเอาไว้ก็ดีแล้วนะแต่ว่าถ้าเอาอันนั้นมาเป็นเครื่องเบียดเบียนกันเองมันดีไหมโอ้ไม่ดีเป็นอันมากเลยนะ นั้นบัญญัติก็ให้มันบัญญัติไปนะเขาแต่งตั้งให้เราเป็นหัวหน้าก็เป็นไปนะแต่อย่าเอาที่เขาบัญญัติให้เราเป็นหัวหน้านี้ไปบีบคนอื่นว่าเธอต้องเชื่อฉันนะเพราะว่าฉันเป็นหัวหน้าไม่งนั้นไม่ผ่านอย่างโน้นอย่างนี้เป็นไงโอ้แบบนี้เบียดเบียนกันเองนะครับนี่นะองค์ของฝ่ายปัญญาข้อที่สองสัมมาสังกัปโปเนคข ม, มะสังกัปโปดำริในการ รากออกมาจากการามจากวัตถุสิ่งของหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้ให้เป็นผู้อิสระจากมันค่อยๆถอยออกมานะอย่าได้คิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เรามีความสุขอันแท้จริงเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เราต้องอิสระออกมาจากมันถอยออกมาจากม้าก้าวออกมาจากมันอภยาปาทสังกปโปดำริในการไม่พยาบาทไม่ผูกเวรไม่ผูกโกรธกัน ไม่หาวิธีทำร้ายอาวิหิงสาสังกโปโภดำริในการไม่เบียดเบียนไม่ต้องการเอาชนะหรือว่าไม่ต้องการครอบงําครอบครองเป็นอำนาจเป็นผู้มีอำนาจเหนือเขาอย่าไปทำอย่างนั้นเพราะว่าขนาดตัวเราเองยังทำอะไรตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมแต่เรานี่ชอบคิดแบบมีอำนาจใครๆก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ละคนนี่อยากมีอำนาจเหนือคนอื่นรู้สึกไหม เราเป็นภรรยาเราก็อยากมีอำนาจเหนือสามีสามีมันก็อยากมีอำนาจเหนือเราเหมือนกันนะเราก็อยากมีอำนาจเหนือลูกลูกมันก็อยากมีอำนาจเหนือเราเหมือนกันมันก็เป็นกันซะอย่างนี้ยไม่รู้จะทำงไงแล้วแต่ว่าเป็นยังไงท่านก็เป็นทุกข์เห็นไหมมันสร้างทุกข์อันใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทุกข์วนเวียนไม่สิ้นสุดเพราะว่ามันเป็นมิจฉาปฏิปทาแต่ตอนนี้กำลังพูดถึงอริยมรรคซึ่งเป็นหนทางที่ทำให้ถึงการพ้นทุกข์ อันแท้จริงมันต้องเป็นอย่างนี้คือว่าท่านต้องเอาความรู้สึกอยากจะมีอํานาจเหนือคนอื่นนี้ออกไปอยากจะครอบงาคนอื่นอยากจะครอบครองคนอื่นอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาออกไปคือเอาตันหาออกไปเหมือนแบบสำรอกตันหาตอนนี้กําลังพูดถึงหนทางวิธีที่จะสํารอกตันหาออกให้มันหมดไปเนี่ยเป็นปฏิปทาเป็นหนทางปฏิบัตินะครับท่านก็เอาไปฝึกนะโดยฝึก ให้ได้ข้อแรกซะก่อนคือสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจที่ถูกต้องอันนี้เราก็เอาไปฝึกฝนให้เป็นอย่างนั้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐินะก็จะได้รู้ว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี่เป็นยังไงเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยแยกเป็น4เห็นไหมสัมมาทิฏฐินี่จะรู้ในทุกรู้ในทุกขะสมุทยัย รู้ในทุกขานิโรธารู้ในทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาใช่ไหพอท่านมาฟังเห็นไหมก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อสำ ม, มาสังกปะอันแท้จริงมันเป็นอย่างนี้นะถ้าคิดแบบนี้ต้องการแบบนี้เป็นมิจฉาสังกปะนี่เราก็รู้พอรู้นี่การรู้อันนี้เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเราก็จะได้ไปฝึกไปปฏิบัติต่อไปได้องค์อื่นๆก็จะได้เจริญขึ้นมาเกิดขึ้นมาได้นะครับนี่เป็นองค์ฝ่าย ปัญญานะครับต่อไปก็เป็นองค์ฝ่ายศีล น, นะถ้าฝึกฝนโดยถูกต้องมีปัญญานำหน้านะครับองค์ฝ่ายศีลก็จะเจริญงอกงามขึ้นมาเป็นบาดฐานเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เกิดปัญญาขั้นสูงไปเรื่อยๆตามลำดับอย่างนี้นะเป็นพื้นฐานต่อไปองค์ของศีลสามองค์สัมมาวจจาสัมมากรัมรมันโตแต่ในหนังสือเขียนเป็นสัมมากัมมันตีนะต้องเปลี่ยน เป็นสัมมากัมมันโตนะครับอันนั้นพิมพ์ผิดมานะแล้วก็สัมมาอาชีวโวมีสามองค์อ่านพร้อมกันนะครับกะตามะจาวุโสสัมมาวาจามุสาวาดาเวรามณีปิสุนายวาจายะเวราามณี พารุสายะวาจายเวระมณีสัมผัพปลาปาเวระมณีอะยังวุจตาวุโสสัมมาวาจากตรโมจาวุโสสัมมากัมมันโตปานาติปาตาเวระมณีอะดินนาาดา เวรามณีกามมสุมิจฉาจาราเวรามณีอะยังวุจตาวุโสสัมมากรรมมโตกตโมจาวุโสสัมมาอาชีโวอิทาวุโสอริยสาวโกมิจฉาอาชีวังปหายะ สัมมาอาชีเวนะชีวิกังกับเปติอายังวุจตาวุโสสัมมาอาชีโวกตามาจาวุโสสัมมาวาจาดูก่อนท่านผู้มีอายุสัมมาวาจาเป็นไนวาจาที่ถูกต้องวาจาที่ ฝึกฝนแล้วทำให้ถึงความพ้นทุกข์ได้จริงนี้เป็นไนมุสาวาดาเวรมณีการงดเว้นจากการพูดเทจมุสาวาดาเวรมณีคำว่าเวรมณีแปลว่าการงดเว้นคำว่าการงดเว้นนี่เป็นลักษณะในจิตใจเราที่ไม่ยินดีกับอันนั้นไม่เห็นความจำเป็นไม่เห็นความสำคัญของอันนั้น เขาเรียกว่าการงดเว้นไม่ยินดีแม้ด้วยทางใจความหมายคื อ, อย่างนั้นนะไม่เห็นความจําเป็นแม้ด้วยทางใจนั้นการงดเว้นการทําให้หมดไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเว ร, รมนันีก็ได้แต่เดิมมันเคยมีเยอะมีบ่อยครั้งก็ทําให้มันลดจํานวนลงมันหมดลงมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่ง ให้มันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปก็เรียกว่าเวรมณีนะครับแปลว่าการงดเว้นก็ได้งดเว้นคําว่า ง, งดเว้นเนี่ยภาษาบ้านเราอาจจะหมายถึงว่าไม่ทํามันแต่ว่าในลักษณะของภาษาบาลีนี้เขาหมายถึงว่าการไม่ยินดีที่จะทำนะอาจจะทําอยู่ก็ได้แต่ไม่ยินดีที่จะทําไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องทําไม่ยินดีแม้กระทั่งเกิดขึ้นมาในใจเนี่ยไม่ยินดี ไม่ยินดีที่จะทำแล้วก็เป็นการฝึกฝนทำให้มันหมดไปอันนี้ก็เรียกว่าเวรมณีเหมือนกันทำให้มันลดจำนวนลงลดจำนวนครั้งลงลดความรุนแรงลงอันนี้ก็เรียกว่าเวรมณีทาให้มันไม่เกิดอีกต่อไปทําให้มันหมดเพดไปอันนี้ก็เรียกว่าเวรมณีเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าท่านเข้าใจความหมายของเวรมณีแล้วท่านก็เอาไปฝึกฝนนะ ฝึกฝนงดเว้นจากมุสาวาทะจากคําพูดเท็จแต่เดิมท่านอาจจะคิดว่าคําพูดเท็จมันจําเป็นมันสมควรอยู่ต่อมาให้ฝึกฝนเพื่อจะเห็นว่าคําพูดเท็จนั้นมันไม่จําเป็นนะให้มันลดจํานวนลงแต่เดิมมันบ่อยเพราะว่าหลงไปใช่มพูดพูดไปเอา้าเผลอไปแล้ว เ, เท็จไปแล้วหรือว่าใส่ไข่ไปแล้วอย่างนี้นะ อันนี้ก็ให้ลดจำนวนลงให้ห่างจากความผิดพลาดมากขึ้นต่อมาก็ให้หมดโอกาสไปทําลายเหตุโดยสิ้นเชิงไปไม่มีการพูดโกหกอีกเลยนี่ทานองนี้พอเข้าใจไหมปิสุนายะวาจายะเวรมณีก็เหมือนกันงดเว้นจากวาจาที่ส่อเสียดจากคำพูดที่พูดถึงคนอื่นการพูดถึงคนอื่นถ้าท่านยังคิดว่าจาเป็นอยู่อันนี้ผิดแล้ว ทางงดเว้นต้อคงฝึกให้เห็นว่ามันไม่จําเป็นต้องพูดถึงคนอื่นจริงๆริงไมจริงสมมุติเราอยู่กันสองคนเนี่ยสามีภรรยาก็พูดเฉพาะสองคนก็ได้ไม่เห็นต้องพูดการเมืองให้เถียงกันเล่นไม่เห็นเกี่ยวกับเขาชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยเราเป็นสามีภรรยากันก็ควรจะพูดเรื่องอะไรดีๆให้กันฟังหน่อยไปพูดเรื่องการเมืองอยู่คนละสีแล้วเถียงกันแหละไม่ใช่แค่สามีภรรยาแค่อยู่วัดเนี่ยหลวงพ่อกับลูกวัดเนี่ยบางทีเถียงกันแหละ ไปหาพูดเรื่องชาวบ้านเขามันจําเป็นไหมล่ะมันไม่จําเป็นนะฉะนั้นต้องฝึกให้เกิดความรู้ให้ได้ว่ามันไม่จําเป็นต้องพูดเรื่องคนอื่นอันนี้ก็เรียกว่างดเว้นไม่ยินดีจะพูดอย่างนี้ถ้ามีความจําเป็นจริงๆก็ค่อยดูเหตุการณ์หรือว่าต้องมีจําเป็นจริงๆ จ, จริงจะพูดทํำนองนี้เวลาพูดถึงคนอื่นนะครับการไม่เห็นความจําเป็นไม่ยินดีที่จะพูดอันนี้เรียกว่าการงดเว้นชนิดหนึ่ง ทีนี้ถ้าพูดบ่อยๆแล้วพูดอยู่เรื่อยๆก็ฝึกฝนที่จะให้มันลดจํานวนลงลดระยะเวลาลงลดอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เวรมณีแล้วก็ฝึกฝนไปอีกจนกระทั่งหมดโอกาสที่มันจะผิดพลาดนี่เป็นเวรมณีพรุษายะวาจายะเวรมณีงดเว้นจากวาจาที่หยาบคายงดเว้นจากการพูดคำหยาบการพูดคำหยาบยังจําเป็นอยู่ไหม บางคนคิดว่าเอ๊ยัยงจําเป็นอยู่นะต้องมันจะได้สํานึกอะไรเขาว่าไปนะตัวเองก็ไม่สํานึกนะ <c oughs> เขาก็ต้องพูดแรงๆหน่อยจะได้สํานึกจะได้อะไรเขาว่าไปวนเวียนกันไปนะอันนี้มันยังเห็นความจําเป็นของอ น, นันต์อยู่ท่านก็เหมือนกับว่าท่านยังเห็นความจําเป็นของความทุกข์อยู่อะ่ะมันก็ต้องทุกข์สิใช่ไหมเนี่ยทีนี้ ท่านต้องฝึกฝนให้มีปัญญาสัมมาทิฐิให้มีความเห็นที่ถูกต้องว่ามันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปพูดหยาบคายที่จะต้องไปว่าคนนั้นคนนี้ให้เขาเจ็บปวดมันจําเป็นไหมไม่จําเป็นเขาจะดีจะไม่ดีจะสํานึกไม่สํานึกมันไม่ได้อยู่ที่ท่านไปด่าเขาหรือไม่ด่าเขาเลยนะแต่เราเนี่ส่วนใหญ่มันจะชอบคิดประหลาดประหลาดนะอะไรที่ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์มันคิดออกตลอดอะส่วนอันไหนที่ทําให้ตัวเองเป็นสุขนี่ ให้เขาบอกเท่าไรบอกไปเถอะจำไม่ได้แล้วคิดไม่ออกนะอย่างนี้ฉะนั้นก็ต้องฟังบ่อยๆนะให้เกิดสัมมาทิฏฐิให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็เอาไปฝึกฝนต่อไปสัมผัสปลาปาเวรมณีงดเว้นจากคำพูดที่เพอเจอความจเกินความจำเป็นเกินเวลาเขาไม่ถามก็พูด พูดเรื่องหนังเรื่องละครเรื่องจิปาถะอะไรต่างๆที่มันไม่จําเป็นนะไม่มีประโยชน์พูดไปแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก็งดเว้นนะครับนะโดยส่วนใหญ่พวกเรามันชอบหาเรื่องมันก็เลยไม่งดเว้นมันยินดีที่จะหาเรื่องอยู่เรื่อยเหมือนกับสมมุติว่าเรานั่งกันสองคนอย่างเงี้ยถ้านั่งอยู่เฉยๆนั่งไหวไหม นั่งไม่ไหวมันต้องหาเรื่องหาเรื่องมาคุยเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมนี่มันพวกเพิเจอร์มันเป็นอย่างนี้นะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าหาเรื่องใช่ไหมเออนะแต่ก็ชอบใช่ไหมหาเรื่องเหมือนผมนั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้ไม่ต้องมาหาเรื่องผมก็ได้นะปล่อยผมอยู่เฉยๆไปไม่ต้องบางคนนี่เขาเกรงใจไงครับอกอ่ะโอ้อาจารย์มาไม่มีคนคุยด้วยหาเรื่องไปคุยกับอาจารย์หน่อยเขาว่าอย่างนี้ แล้วจะมาหาเรื่องผมทําไมเล่ามันไม่มีเรื่องก็ไม่ต้องคุยถ้ามีเรื่องก็ค่อยมาคุยไม่ต้องหาเรื่องมานี่พวกเพอเจอมันจะอยู่ไม่ไหวมันจะต้องหาเรื่องจนได้เรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็หาเรื่องมาอันนี้เห็นไหมมันเห็นความจําเป็นของการพูดเพรเจอเห็นไหมนั่งอยู่เฉยๆด้วยกันไม่มีเรื่องจะพูดมันยังหาเรื่องมาจนได้หาเรื่องซุบซิบดาราเรื่องอะไรต่างๆ มันไม่มีเรื่องอะไรทํารือยังไงมันหายใจทิ้งเฉยๆไปหไรือไงหรือว่าไม่มีอะไรทําขนาดนั้นนี่เห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นต้องงดเว้นนะเวรมัมณีคืออย่าไปเห็นความจําเป็นอย่าไปเห็นความสําคัญของเรื่องเหล่านั้นให้เห็นว่ามันไม่จําเป็นมันไม่น่ายินดีที่จะต้องพูดเนี่ยเรียกว่าเวรัมณีแล้วนะครับไม่น่ายินดีที่จะต้องพูดเรื่องไร้าสาระ เรื่องไม่มีความจำเป็นไม่จำเป็นต้องไปหาเรื่องมาพูดไม่มีเรื่องจะพูดเราก็นั่งเฉยเฉยไปไม่เห็นเป็นไรนะครับอันนี้หรือไม่ก็เราเคยพูดเยอะแล้วก็ฝึกฝนให้มันพูดน้อยลงอันนี้ก็เวรมณีต่อมาก็ฝึกฝนจนกระทั่งหมดโอกาสที่จะพูดนี่ก็เรียกว่าเวรมณีอันนี้เป็นสัมมาวาจานะครับ วาจาที่ถูกต้องมีมุสาวาดาเวรมณีงดเว้นจากคำพูดเท็จปิสุนายวาจาเะเวรมณีงดเว้นจากคำพูดที่ส่อเสียดพูดถึงบุคคลอื่นพรุสายวาจายเวรมณีงดเว้นจากคำพูดที่หยาบคายสัมผับปลาปาเวรมณีงดเว้นจากคำพูดที่เพอเจ้ออายังวุจตาวุโส สัมมาวาจาดูก่อนท่านผู้มีอายุนี้เรียกว่าสัมมาวาจานะครับนี้พอเข้าใจเวรามณีด้านวาจาแล้วในด้านร่างกายก็คล้ายๆกันทำนองเดียวกันนี้แหละกัตมโมจาวุโสสัมมากรรมโตดูก่อนท่านผู้มีอายุการกระทำทางกายที่ถูกต้องเป็นไนะใช้กายไปทำในสิ่งที่ถูกต้องนั้นเป็นยังไง ก็คือการงดเว้นการใช้กายในทางที่ไม่ถูกต้องนั่นแหละปานาติปาตาเวรมณีการงดเว้นจากปานาติบางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่ยินดีในการฆ่าสัตว์ไม่เห็นความจำเป็นต้องไปทำร้ายสัตว์ไม่เห็นความจำเป็นต้องไปเบียดเบียนสัตว์อะไรพวกนี้เนี่ยนะท่านคิดว่ายังมีความจาเป็นต้องไปทำร้ายมันอยู่ไหม ยุงบินบินอยู่เนี่ยจำเป็นต้องไปฉีดมันให้ตายไหมบางคนยังเห็นว่ามันจําเป็นอยู่ไม่อย่างนั้นมันจะกัดเราอะไรเราเขาก็ว่าไปนะจริงๆมันไม่จําเป็นต้องทําขนาดนั้นใช่ไหมแค่เชิญเขาออกไปดีๆถ้าออกไปดีๆไม่ได้เราก็หาอะไรมีกลิ่นมาไล่เขาไปหน่อยมันก็ไปแล้วแต่เราไหวไหมมันบางทีมันทนไม่ไหวเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นต้องฝึกให้มีเวรมนีนะครับคืองดเว้นไม่ยินดี หรือว่าไม่เห็นความจำเป็นที่จะ ต, ต้องไปทำอย่างนั้นถ้าเคยทำแล้วก็ฝึกให้ห่างจากความผิดพลาดเคยทำเยอะก็ทำน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งปิดโอกาสไม่ทำอีกนะอดินานาดานาเวรมณีงดเว้นจากอทินนาธานคือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ที่เป็นการคดโกงก็ดี ช่อชนเขาก็ดีหรือว่าเอาอะไรที่มันเป็นของคนอื่นอะไรต่างๆที่มันจะหลอกลวงเขาก็ดีนะกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นนะอย่างที่ได้พูดไปแล้วคือไม่ยินดีในเรื่องกาเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดที่มันไม่เหมาะสมในเรื่องของกาม ในเรื่องของสา ม, มีภรรยาคนอื่นลูกสาวคนอื่นหรือว่าคนที่เขามีเจ้าของแล้วอย่างนี้นะถ้าจะมีกิเลส ช, ชอบกันบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าไปยินดีที่จะทําผิดนะต้องไม่ยินดีที่จะทาไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องทําอย่างนี้นะครับต้องงดเว้นไปถ้าเคยทําแล้วก็ให้งดลดจำนวนลงจนกระทั่งหมดโอกาสที่จะผิดไปนี่ทานองนี้ อายางวุจตาวุโสสัมมากัมมันโตดูก่อนท่านผู้มีอายุนี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะการกระทําทางกายที่มันถูกต้องต่อไปก็สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตการหาเงินทองมาจับจ่ายใช้สอยที่มันถูกต้องสัมมาอาชีวะกะตะโมจาวุโสสัมมาอาชีโวดูก่อนท่านผู้มีอายุ สัมมาอาชีวะเป็นชนอิทาวุโสอริยสาวโกมิชฉาอาชีวังปหายะดูก่อนท่านผู้มีอายุอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ละมิชฉาอาชีวะละการเลี้ยงชีพที่มันไม่ถูกต้องสัมมาอาชีเวนะชีวิกังกับเปติแล้วก็เลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะเท่านั้นละมิชฉาอาชีวะ ละการเลี้ยงชีพละอาชีพที่มันไม่ดีมันไม่ถูกต้องมีการเบียดเบียนตัวเองและเบียดเบียนคนอื่นอันนี้ไม่สมควรทำอาชีพอะไรบ้างล่ะที่มันเบียดเบียนคนอื่นอู้มีเยอะแยะเราก็ลองดูก็แล้วกันอาชีพที่มันเบียดเบียนคนอื่นมีการฆ่าสัตว์ไหมล่ะมีการทําร้ายสัตว์ไหมมีการทําให้คนอื่นมัวเมาไหมค้าขายสุราค้าขายยาพิษค้าขายอาวุธไหม มันทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็อย่าไปทำนะครับหรือว่าทำพวกสถานเล่นการพนันค้าขายผู้หญิงไหมค้าขายมนุษย์ค้าขายคนใช่ทำซ่องโซเพนีหรือว่าทำสถานบันเทิงให้คนหลงมัวเมาไหมหลอกลวงเขาไหมนี่เป็นมิจฉาอาชีวะแล้วเราก็มาเลี้ยงชีพแต่ในด้านสัมมาอาชีวะ ในการเลี้ยงชีพที่มันเปิดเผยไม่คดโโงงใครได้กำไรก็ตามสมควรได้ช่วยเหลือคนอื่นบ้างหรืออะไรบ้างตามสมควรไปยังมีกิเลสอยู่ก็ยังไม่เป็นไรแต่ก็อย่าไปถึงขนาดทำมิจฉาอาชีวะนะที่มันมีการเบียดเบียนคนอื่นหลอกลวงคนอื่นทำให้คนอื่นเสียหายบาดเจ็บล้มตายหรือว่าทำให้คนอื่นนั้นเกิดโรคเกิดความหลงมัวเมาอะไรไปนะครับ ทุกวันนี้บางทีเขาก็ทำรุนแรงเกินไปเอาอันนั้นใส่อันนี้ใส่ในอาหารบ้างอะไรบ้างโดยประหยัดบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไม่ดีน ะ, ะทำให้คนอื่นเขาบาดเจ็บหรือว่าเป็นโรคไปอย่างนั้นไม่ดีนะครับต้องเลี้ยงชีพแต่ในด้านสัมมาอาชีวะทำให้มันสมควรทำให้มันถูกต้องอันนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะ อายังวุจตาวุโสสัมมาอาชีโวดูก่อนท่านผู้มีอายุอันนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพหรือว่าการมีอาชีพที่มันถูกต้องเพราะเป็นมนุษย์เรานี้นะมันต้องมีอาชีพเลี้ยงชีพแล้วเราก็ทําให้มันถูกต้องสองค์นี้สัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีโวอันนี้เป็นองค์ฝ่ายศีล เป็นพื้นฐานที่จะทำให้เกิดปัญญาขั้นสูงต่อมาได้แต่การที่จะมีศีล น, นะเราก็ต้องฟังให้เข้าใจก่อนมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจแล้วก็ฝึกฝนให้มีพอมีตัวศีลอันนี้ก็จะเป็นบาตรฐานให้เกิดสัมมาทิฏฐิปัญญาขั้นสูงยิ่งขึ้นไปอีกทานองนี้นะครับ